ก็กาบบูชาพรัตนตรัย <c oughs> กาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกราบมายางอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สรินพระอาจารย์ตุ้มพันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายัางแมช่ชีแล้วก็อุบาสิากาทุกท่าน <c oughs> <c oughs> ก็นั่งกันตามปกตินะ วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่24กส่กุมภาพันธนะ์พุทธศักราช2558อนะตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือน4นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระอาทิตย์หน้าวันพุธก็ตรงกับวันมาฆบูชาพอดนะีก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธเรา <c oughs> สำหรับวันนีนะ้พวกเราก็มาร่วมกัน ไว้พรสสดมนตะเป็นกิจวัตรประจำวันของการอยู่วัดป่าสุกโตนะเมื่อสงสัปดาหที่แล้วนะเราก็ได้พบกับอากาศที่มันแปรปรวนนะมีฝนตกมีอากาศร้อนนะแต่วันนี้ก็สงบนิ่งนะอากาศสงบนิ่งนะถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยนะอากาศมันแปรปรวนเนี่ย บางทีอารมณ์เราก็พวนแปลไปด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยธรรมชาติมันก็กลับคืนสู่ความเป็นปกตินะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะเราดูอากาศแล้วก็มาดูอารมณ์นะอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันจะแปลปวนมันจะรลนแปลมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะสุดท้ายมันก็กลับมาสู่ความเป็นปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูธรรมชาติข้างนอก ก็ดีธรรมชาติข้างในก็ดีนะมันมีลักษณะอาการคล้ายกันนะก็คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติเนาะที่เราสามารถจะสังเกตนะเลยสามารถที่จะเห็นได้เรียนรู้ได้ถ้าเรามีสติ นะมีความรู้สึกตัวส่วนใหญ่ที่เราไม่ปกตินะหรือเราเป็นทุกข์ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราหลงงานะหลงไปในอารมณ์หลงไปในอากาศหลงไปในอาการต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นความหลงนั้นเพราะว่าเราไปยึดไปติดนะเราอยากให้เป็นอย่างใจเราเช่นฝนตกเราไม่อยากให้ฝนมันตกนะแดดมันร้อนเราไม่อยากให้แดดมันร้อน นะหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่อยากจะให้มันมีอารมณ์โกรธนะเราไม่อยากให้มันคิดมากนะเราอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสงบนะเราไม่อยากจะให้มันฟุ้งซ่านนะอันนี้คือความที่เราไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็เกิดความเข้าใจผิด <c oughs> ไม่รู้ธรรมชาตินะของ กายก็ดีของใจก็ดีหรือของสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดนีนี่ก็เกิดจากการที่เราหลงเราไม่รู้ไม่รู้ความจริงของธรรมชาตาิที่มันมีการแปลปวนเปลี่ยนแปลงและไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาของเขาอย่างนั้ น, นมีเกิดขึ้นมีเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีดับไปเรียกว่า เกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนะถ้าจะพูดกันภาษาธรรมดาๆรรนะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราไม่ได้หมายแพร่ร่างกายหรือชีวิตเท่านั้นแต่สุขสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกฎนี้หมดเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ <c oughs> ใช้สติสัมปชัญญะนะคือความรู้สึกตัวนะที่เราได้ฝึกฝน นะเอาตัวนี้มาสังเกตมาดนะูเราก็จะไม่หลงนะไม่หลงไปในความไม่แน่นอนไม่ได้หลงไปในความที่มันทนได้ยากนะคือหลงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างใจเราอยากอยากให้มันสุขให้มันสงบไม่ต้องคิดอะไรอยากให้มันสบายนะไม่ต้องมีความทุกขนะ์ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เรา พยายามนะที่จะไปสร้างขึ้นมาหรือพยายามไปยึดไปถือให้มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นของเขาเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือปรับกายใจของเรานะหรือว่ารับรู้ความจริงเหล่านี้แล้วก็วางใจธรรมดาธรรมดานะไม่ต้องไปยุ่งกับเขากลไกลหรือความเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นไปเองของเขาอย่างนั้นเองเราอย่าเข้าไปยุ่งนะเราเพียงแต่ดูรู้เห็นมันนะแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นกับมันนะมันจะร้อนมันจะหนาวเราก็รู้นะเราก็หาทางป้องกันหนาวเราก็เอาผ้ามาหม่มใส่เสื้อให้อุ่นร้อนนะเราก็ใช้ผ้าที่บางลงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะปรับตัวปรับใจ นะให้มันสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาตินะที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ของคนเราก็เหมือนกันมันก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆบางทีมันก็สงบนิ่งสบายนะแต่บางครั้งมันก็วุ่นวายใจบางครั้งมันก็ฟุ้งซ่านนะสับสนวุ่นวายหนักอกหนักใจนะสิ่งเหล่านี้มัน ในแต่ละวันในแต่ละขณะของชีวิตเนี่ยนะมันจะมีความแปรลปลเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อากาศกับอารมณ์ก็เหมือนกันเลยนะเราเพียงแต่ว่าให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปรับตัวปรับใจให้สอดคล้องกลมคืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปกะเกณให้อย่างใจที่เรานึกคิดหรือเราต้องการ เวลามันร้อนเราก็อยาก ใ, ให้มันเย็นเวลามันหนาวเราก็อยาก ใ, ให้มันอุ่นอันนั้นมันผิดธรรมชาติไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวความหลงความหลงความไม่รู้นี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นม า, นาทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้เมื่อเรามีสตินมีสติสัมปชัญญะรู้ความจริงของสิ่งต่างๆแล้วเราก็วางใจ นะเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนั้นนี่เองนะเราก็วางใจนะไม่ต้องไปกะเกณฑ์ไม่ต้องไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาตนะิเป็นชีวิตที่กลมกลืนกับความเป็นจริงนะซึ่งตรงเนี้ยนะก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีสันติสุขนะมีความเป็นปกติสุขนะซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดจากการที่เราอาศัยนะสติสัมปชัญญะ ที่มีอยู่แล้วที่เราฝึกฝนสติสัมปชัญญะที่มีอยู่เดิมเป็นสติสัมปชัญญะตามสัญชาติญาณอาจจะไม่เพียงพอนะเราจำเป็นที่ต้องฝึกนะให้มันมีความฉับไวให้มันรู้เท่ารู้ทันนะกับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เรา <c oughs> อาศัยความรู้สึกตัวนะเป็น เป็นตาในนะเข้าไปสัมผัสเข้าไปดูไม่ได้ใช้ความคิดนะอย่าไปคิดรู้นะอย่าไปคิดอย่าไปกากเกณฑ์ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้ความคิดเนี่ย <c oughs> มันก็จะเข้าใจไม่ได้นะหรือบางทีก็จะไปเข้าใจ <c oughs> เป็นอย่างอื่นไปนะเพราะนั้นเราอาศัยความรู้สึกตัวนะที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะนี่แหละนะเป็นเครื่องมือ ในในการที่จะเห็นที่จะดนะูความจริงของธรรมชาตินะที่มันมีการแปลบวนเปลี่ยนแปลง <c oughs> ทั้งธรรมชาติข้างนอกนะธรรมชาตินอกตัวแล้วก็ธรรมชาติในตัวนะซึ่งอันนี้มันเหมือนกันเลยนะทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามมันจะกลับมาสู่ความเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นข้างนอกก็ดีไม่ว่าจะเป็นข้างในก็ดี อากาศอารมณนะ์เหมือนกันอันะนี้ถ้าเราสังเกต ด, ดูให้ดีถ้าอย่างนี้แล้วนะชีวิตเราก็จะกลมกลืนสอดคล้องนะไปกับธรรมชาตินะที่มันแปลปวนเปลี่ยนแปลงนะซึ่งตรงนี้เราก็จะทำให้เราไม่ต้องไป <c oughs> หนักเหนื่อยนะหรือว่าไปาวุ่นวายใจนะกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดานะมันเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดนะหรือแม้แต่สังคมนะที่เราอยู่ร่วมกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยนะสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้เท่ารู้ทันความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวน ความไม่คงที่นาของสรรพสิ่งทั้งหลายนาเมื่อเรารู้เท่าทันตรงนี้มันเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกคาดเดากะเกณฑ์นาซึ่งตรงเนี้ยนาต้องอาศัยทําบ่อยๆ อ, อาศัยสังเกตอาศัยเห็นบ่อยๆ่อยนาเราเจนจากของห ย, ยาบหยาไปก่อนนาจากกายที่เคลื่อนไหวนา จากกายที่ร้อนที่หนาวที่ปวดที่เมื่อยนะจากกายที่ เ, เย็นร้อนอ่อนแข็งนะหรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะภายในกายของเราหรือเมื่อกายไปสัมผัสนะกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายนะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไปสัมผัสกับโลกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพเรื่องเสียง นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสติหรือมีสติไม่ทันมันก็จะหลงหนะลงไปในรูปที่สวยเสียงที่เพลาะอาหารที่อร่อยนะสัมผัสที่นุ่มนิ่มหลงแล้วมันติดใจนะแล้วมันอยากได้มันอยากอยูอยู่ตลอดไปนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นความหลงนะเมื่อไม่ได้ดังใจก็ทุกขนะ์เสียอกเสียใจ ผิดหวังนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะกับสิ่งที่เราไปสัมผัสนะที่ไปเกี่ยวข้องนะเรียกว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัวนะหรือรู้ตัวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รู้ทันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยความแยบคายนะในการที่จะไปเสพนะในการที่จะไปสัมผัสหรือไปเกี่ยวข้อง นะกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสียงนะหรือว่าภาพต่างๆแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับรู้รถเลยนะหรือเราจะไม่ปฏิเสธที่จะไม่ดูภาพ ส, สวยๆไม่ใช่เราเห็นได้เราได้ยิน <c oughs> แต่ว่าเรารู้เท่าทันนะเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้และเราก็ไม่ได้หลงไปในสิ่งเหล่านี้ รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละอาหารมันก็อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยเสียงเพลงมันเพราะภาพที่สวยมันก็สวยแต่ใจของเราไม่ได้ไปเกาะไปยึดไปติดไปกะเกณว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปเหมือนเรารับทานอาหารเนี่ยอาหารมันอร่อยแต่เราเคี้ยวเปนานเนี่ยมันก็จะจืดนะมันก็จะจืดซึ่งตรงนี้มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไป มันมันไม่คงที่มันไม่คงตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้เรียนรูนะ้เรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วมันก็แปลเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทําให้อ่าจิตใจของเราเนี่ยนะมันอยู่ในสภาพที่เป็นปกตินะบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นการกินการเคียวการดื่มนะหรือการที่การเห็นการได้ยิน เราเห็นด้วยสติด้วยปัญญาได้ยินด้วยสติด้วยปัญญาใจก็เป็นปกติเป็นปกติเฉยๆแต่เฉยๆไม่ได้เฉยเมยนะไม่ได้เฉยแบบซื่อบือ้อไม่รู้เรื่องรู้ราวเฉยแบบตื่นรู้แล้วเห็นว่าอะไรเหมาะอะไรควรเช่นอาหารการกินเนี่ยมันอร่อยแต่เราก็รู้ประมาณในการบริโภคไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็รีบกินใหญ่เลยจนในที่สุดมันจุกมันอัดแน่นอันนั้นคือหลงไปลว เรากินด้วยความหลงแล้วไม่ได้กินด้วยสตินะหรือบางทีเราไปเห็นภาพสวยๆได้ยินเสียงเพลงเพราะๆเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเท่าทันเราก็จะเพลินเราจะหลงไปเราจะลืมตัวไปนะเรียกว่าใจมันจมไปกับเสียงเพลงจมไปกับรูปภาพภาพยนตร์เรียกว่าจมไปเลยลืมตัวไปเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราลืมตัวไปเนี่ย <c oughs> เสียงเพลงก็ดีภาพยนตร์ก็ดี มันก็มีบทเศร้าบทโศกบทหัวเราะนะใจเราก็จะเป็นไปตามนั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็คือทาให้เราลืมตัวไปเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีสตินะมีสติสัมปชัญญะเราก็จะดูจะเห็นสิ่งต่างๆเป็นปกตินะก็รับรู้นะเสียงรับรู้ภาพรับรู้รสนะสัมผัสต่างๆนะด้วยใจที่เป็นปกตินะแล้วก็ ไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านี้นะซึ่งตรงนีเน้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความเป็นปกติบ่อยๆแล้วอันนี้คือเป็นธรรมชาตนะิธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เหน็ดเหนื่อยนะไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเรียกว่าเราได้สัมผัสกับความเป็นปกติบ่อยๆใจมันก็ได้พักได้ผ่อนะ ไม่เหน็ดเหนื่อยนะไปกับสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็เป็นสภาพของธรรมชาตนะิที่มีอยู่นะอยู่แล้วมีอยู่แล้วในใจของเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นหลักเป็นที่พักเป็นบ้านนะที่แท้ จ, จริงนะที่จะให้เราได้พักผ่อนได้เพราะฉะนั้นในการมีชีวิต นะอยู่ในโลกนะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะนะที่แยบคายพอเพียงชีวิตของเราก็จะ <c oughs> สับสนวุ่นวายหนักอกหนักใจมีความขัดแยง้งนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหานะกับจิตใจเป็นปัญหากับร่างกายได้อย่างเราเห็นว่า <c oughs> คนที่ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ย เขาก็จะกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลนะซึ่งตรงนี้ก็จะทําทให้เกิดเป็นโรคประสาทไดนะ้แล้วก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะซึ่งปัจจุบันเนี้โรคที่เกิดจากทางด้านจิตใจนะมีมากพอสมควรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักกันเราก็ไปกินยาเราก็ไปหาหมอนะบางทีหมอตรวจแล้วก็ไม่ไม่เห็นมันเป็นโรคอะไรเลย นะแต่พอได้คุยกันได้ระบายได้พูดออกไปสบายใจขึ้นเนี่ยมันก็หายได้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลจากการที่เราไม่รู้เท่าทั น, นลกลไกนะหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานนั่นเองเพราะนั้นการที่เรามา <c oughs> ฝึกเจริญสติเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีเครื่องมือนะในการที่จะไปดูแลจิตใจของตัวเองนะสติสัมปชัญญะเนี่ยจึงเป็น ผู้คุ้มครองนะหรือว่าเป็นตัวที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยปกตินะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติได้ง่ายแล้วก็ <c oughs> ไม่หลงนะไปกับความคิดปรุงแต่งไม่หลงไปกับอารมณ์นะที่มันมีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นผู้ที่ฝึกจเจริญสติเนี่ยนะก็จะทำให้เป็นชีวิตนะที่เป็นปกติสุขนะเรียกว่าชีวิตก็จะดีขึ้นทุกๆวัน นะแล้วก็จะมีเครื่องคุ้มครองนะมีที่พักนะสําหรับตัวเองเป็นชีวิตที่กลมกลืนนะกับค ว, ความจริงชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีมีสันติสุขนะแล้วก็มีสันติภาพเกิดขึ้นถ้าคนเราในจิตใจมีสันติสุขมีสันติภาพแล้วมันก็จะเผื่อแผนะ่ไปถึงคนใกล้เคียงไปถึงครอบครัว ไปถึงสังคมไปถึงโลกนาโลกก็สงบร่มเย็นปัญหาความวุ่นวายของโลกปัจจุบันหรือสังคมปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่รู้จุดนี้นเราไม่รู้ความเป็นปกติสุขในใจเราก็เลยวิ่งห า, าวัตถุสิ่งของบุคคลนที่จะมาชดเชยมาเติมเต็มนาซึ่งเราเนี้ยสิ่งเราเนี้ยมันไม่สามารถที่จะมามาเติมเต็มได้นะ ยกเว้นแต่ว่าเราจะกลับมาสู่ใจของเราใช้สติสัมปชัญญะมาดูสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคือความเป็นปกติของใจเนี่ยมันเป็นความอิ่มความเต็มอยู่แล้วแต่เพราะความที่เราไม่รู้นี่เองเราก็เลยไปวิ่งหาข้างนอกนะก็เลยวุ่นวายกันไปหมดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธมีพระพุทธศาสนา เรนะเรียกว่าเป็นมรดกธรรมทีเดียวเป็นมรดกทางปัญญานะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เอามาใช้กันนะเราไปติดกับเรื่องพิธีรีตองเราไปติดกับเรื่องวิยศาสตรนะ์เราไปติดเรื่องกับความเชื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์มากมายนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายนะไปวิ่งหาวัตถุข้างนอกไปหาความสุขจากข้างนอก ไนะปหาสิ่งที่มาเติมเต็มจากข้างนอกมันก็หาไม่เจอเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เรามาวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยก็ถือว่าเ ป, เป็นโชคดีของพวกเราหนะ้าที่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็ได้สัมผัสถ้าเราได้ฝึกได้ปฏิบัตินะกจ็จะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านีนะ้ซึ่งตรงนี้เป็นความสุขที่มีอยู่แล้วนะเป็นความสุขประณีตที่มีอยู่แล้ว ถ้าเรามีตรงนี้เราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้นะได้กิริยาอาการคำพูดนะหรือสิ่งที่เราแสดงหรือประพฤติเนี่ยมันจะมันจะแสดงออกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงความสงบเย็นที่มีอยู่ในใจเนี่ยมันจะเผื่อแผ่ไปกับคนใกล้เคียงนาะไปกับสังคมนาะไปกับครอบครัวนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสาคัญแลวก็ เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยทำให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขนะการแก้ไขความวุ่นวายของสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราไม่กลับมาจุดนี้ไม่น่าจะเกิดความสงบสุขนะถ้าไปใช้ความคิดใช้ความขัดแยง้งนะใช้กฎหมายใช้อะไรต่างเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาได้ชั่วคราวแต่การแก้ปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ตรงนีนะ้ก็คือการที่เรากลับมา สัมผัสกับความเป็นปกติสุขของใจนะถ้าทุกคนทำได้หรือส่วนใหญ่ทำได้เนี่ยก็เชื่อว่าสังคมเนี่ยน่าจะมีสันติสุขสันติภาพนะแล้วก็เป็นสังคมที่น่าอยูนะ่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีความสับสนวุ่นวายนะวุ่นวายมากมายทั้งทา ง, ทา ง, ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกัน นะว่าเราไม่ได้เอามรดกธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบไว้นะเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วมาใช้กันนะเพราะฉะนั้นตรงนีนะ้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยที่อยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยได้อาศัยโอกาสอาศัยสภาพแวดล้อมนะของความสงบสงัดความเป็นกาลยานามิตรสิ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ต่างๆเนี่ยสนับสนุนเนาะให้พวกเรา ได้มาฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสติตามแนวสติปฐาน4นีะ่ที่เราได้สาธยายมนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะโดยเฉพาะหมวดกายอันนี้ถือว่าเป็นหมวดเบื้องต้นเลยนะรู้มีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆนะตรงนี้มันจะไปเห็นใจที่มันคิดมันนึกนะความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น นะเราก็จะเข้าใจความจริงนะของสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นความจริงมากก็เกิดการปล่อยการวางนะใจก็คืนสู่ความเป็นปกตนะิชีวิตก็กลมเกลืนกับธรรมชาตนะิอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโอกาสพิเศษนะที่พวกเราจะได้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะในการมาวัดป่าสุกโตหรือการมามีชีวิตนะอยู่ที่วัดป่าสุกโต ให้เป็นชีวิตที่กลมเกินกับธรรมชาตนะิอันนี้ก็จะทำให้เกิดสันติสุขสันติภาพกับตัวเราเองกับสังคมที่เราอยู่กับโลกต่อไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้พิจารณาในเช้าวันนี้นะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างเองเอาคุณของพระีรัตนไตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนาอาศัยสติสัมปชัญญะที่มีเราดูลงไปพระสงฆนะ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติการเจริญปัญญาด้วยความเพียรความพยายามความอดทนความตั้งใจของทุกท่าน ก็ให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่า น, นาได้มีชีวิตที่กลมเกินกับธรรมชาติสัมผัสกับความเป็นปกติทุกเมื่อเชื่อวันโดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร